เน่ก็มาศึกษาคุณของพระตถาคตต่อ น, นะครับก็ยังอยู่ในคุธกานิกายอิติวุตกะนะครับแต่ว่าข้อความที่เรียบเรียงมาอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับเพราะว่าเทียบเคียงมาจากหลายๆแห่งนะทั้งในอุทานบ้างแล้วก็ในที่อื่นๆอีกนะครับมันก็กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านี่นะครับ ที่ชื่อว่าพระตถาคตนี้เพราะว่าพระองค์นั้นมาถึงญาณที่ทองแท้นะครับมาถึงความทองแท้หมายถึงญาณทั้งหลาย น, นะคือปฏิสัมพิทาสี่เพราะว่าครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงอริยมรรสีนะครับแล้วก็ญาณที่ไม่มีปัจจัยอะไรกระทบกระทั่งในการสามนะรมาขึ้นปฏิสัมพิทาสี่นะครับ อั น, นึ่งปฏิสัมพิทานี่มีสี่คืออัฏฐปฏิสัมพิธาธรมรมปฏิสัมพิทาแล้วก็นิรุตติปฏิสัมพิธาและปฏิภาณะปฏิสัมพิธาคําว่าปฏิสัมพิทานี่นะครับแปลโดยศัพทพาว่าเครื่องแตกฉานนะครับทีนี้ถามว่าอะไรแตกฉานครับปัญญานี่ยแหละเป็นเครื่องแตกฉานชื่อว่าปฏิสัมพิทายานปัญญา through? เป็นเครื่องแตกฉานชื่อว่าปฏิสัมพิทายานนะครับ ในปฏิสัมพิทาทั้งสี่นั้นยานอันถึงความแตกฉานในอัถฐสามารถกระทําการพิจารณาการให้แจมแจ้งและการกําหนดพร้อมด้วยลักษณะแห่งประเภทของอัถะชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาคือหมายถึงตัวปัญญาที่รอบรู้ในเรื่องอัฏฐะะครับใค ร, คร่ครวญพิจารณากําหนดแยกแยะวิจัยใคร่ควรวนทั้งหมดนะครับ อันนี้ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทานเกี่ยวกับวิจัยอัฏนะครับที่จริงก็ปัญญาอันเดียวนั่นแหละครับขยายไปเป็น4อย่างตามอํานาจของความรู้นะครับคือคือตัวปัญญาก็ได้แก่ยาณนะใช่ไหมครับยานะก็อันเดียวแต่ว่าญานะที่ไปรู้อัถะแตกฉานในอัถะเรียกว่าอัฏฐปฏิสัมพิธาญานะที่ไปรู้แตกฉานในธรรมะเรียกว่าธรรมปฏิสัมพิทาญานะที่ถึงความรู้ความแตกฉานใน ภาษาก็เรียกว่านิรุติปฏิสัมพิทาญาณะที่แตกฉานในญาณที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดเนี่ยชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทานะครับเพราะฉะนั้นญาณอันถึงการถึงความแตกฉานในธรรมะสามารถกระทําการพิจารณาการให้แจ่มแจ้งและการกําหนดพร้อมด้วยลักษณะแห่งประเภทของธรรมะชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาญาณอันถึงความแตกฉานในการแสดงภาษา สามารถทําการพิจารณาการให้แจมแจ้งและการกําหนดพร้อมด้วยลักษณะแห่งประเภทของภาษาชื่อว่านิรุติปฏิสัมพิทาคือภาษาที่กล่าวถึงอัตและธรรมะนั่นแห ล, ละครับส่วนอย่างอันถึงความแตกชันในปฏิพานสามารถกระทําการพิจารณาการให้แจมแจ้งและการกําหนดพร้อมด้วยลักษณะแห่งประเภทของปฏิพานชื่อว่าปฏิพานปฏิสัมพิทา คือสามารถรู้ยานในสามข้างต้นที่กล่าวแล้วนะครับเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้ในคัมภีร์วิพังว่ายานในอัฏฐ์ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาคื อ, อยานที่แตกฉานในอัฏฐ์ทั้งหมดนะครับยานในธรรมะชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทายานในการแสดงภาษาของอัฏฐ์และธรรมะชื่อว่านิโรติปฏิสัมพิทานะครับคล้ายเอามาสื่อเอามาพูดนะเนส่วนญาน ในยานทั้งหลายคือยานที่แตกฉานยานในอัดแตกฉานยานในทำแตกฉานยานในภาษาเนี่ยนะครับเชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทานะครับเรียกว่าความรู้ในญาณะทั้งหลายนั่นเองปฏิสัมพิทาทั้ง4นั้นสรุปอีกครั้งนะครับเป็นชื่อของปัญญาปัญญาที่รู้หรือยาณะที่รู้แตกฉานในสเรื่องว่างั้นเถอะเรียกว่าปฏิสัมพิทา4ี่นะครับ ก็ในยานเหล่านั้นว่าโดยสังเขตโดยย่อนะผลอันผล็ดมาแต่เหตุเผลดมาจากเหตุชื่อว่าอัฐนะครับคือตัวปัจจยุบันหรือตัวผลทั้งหมดะนะเชื่อว่าอัฐนะครับเพราะอันบุคคลพึงดำเนินไปและพึงบรรลุตามกระแสแห่งเหตุนะครับไอตัวตัวผลเนี่ยนะตัวผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันต้องอาศัยเหตุนะมันจึงจะเกิดขึ้นได้นะครับ แต่เมื่อว่าโดยประเภทแยกแยะนะครับอัธเนี่ยนะมีอยู่5ประการด้วยกันคือหนึ่งปัจจยุบันปัจจยุบันธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคําว่าปัจจยุบันอันนี้หมายถึงผลนะครับผลอย่างใดอย่างหนึ่งคือผลทุกชนิดเหมือนกันเถอะผลของเหตุนะนะเช่นทุกขสัตว์นะครับพวกทุกขสัตว์นี้เป็นผลของอะไรครับ ของสมุทยัยศาสตร์เพราะฉะนั้นขันทั้งหลายที่เป็นผลนะที่เป็นปัจจยุ ป, ปันนั่นแหละครับชื่อว่าผลเป็นอัถะนะครับเป็นอาาัถะข้อหนึ่งข้อ2นิพานก็ชื่อว่าเป็นผลข้อสามอัฐะแห่งภาษิทธ์หรืออัตถาเนี่ยนะเนื้อความแห่งคําสอนนะ่ยนะความหมายของคําสอนนี่ก็เป็นชื่อของอัถะเหมือนกันหรือว่าวิบากวิบากจิตนี่นะครับวิบากจิตเจตสิกเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นผลหรือว่ากิริยาจิต นะครับก็ชื่อว่าเป็นอัฏฐะหรือเป็นผลนั่นเองเพราะฉะนั้นญาณอันถึงความแตกฉานในอัฏฐะนั้นของผู้พิจารณาอัฏฐะนั้นชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาคือหมายถึงญาณที่ไปพิจารณาปัจจยุบันญาณที่ไปพิจารณานิพพานญาณที่ไปพิจารณาเนื้อความแห่งภาษิทิญาณที่พิจารณาวิบากญาณที่พิจารณากิริยาของพระอริยระบุคคลทั้งหลายนะครับชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทา คือปฏิสัมพิทานั้นให้รู้อย่างหนึ่งว่าเป็นของพระอริยเจ้าเท่านั้นนะครับนับตั้งแต่พระโสดามันขึ้นไปของปุถุชนเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็เพื่อปฏิสัมพิทานในอนาคตเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่รู้นี้ไม่ใช่ปฏิสัมพิธาของปุถุชนนะเป็นสุตะนะครับเป็นสุตะเฉยๆยังไม่ชื่อว่าได้ปฏิสัมพิธาอะไรเพราะว่าปฏิสัมพิทานั้นจะต้องได้หรือบรรลุเมื่อบรรลุมรรผลแล้วนะครับ อ๋อพระสดาบัก็มีก็มีได้แหละครับรู้ได้คได้<อ>ปฏิสัมพิธาแล้วอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่ากิริยาหน่อยว่ามันเป็นผลยังไงเพราะว่ากิริยาในความหมายของภาษาไทยเราแปล ว, แว่าทำการกระทามันน่าจะเป็นเหตุแต่มันกริยานี้ในที่นี้เป็นกิริยาจิตนะครับหมายถึงกิริยาจิตน ะ, ะวิบากจิตกิริยาจิตนี้นะครับเป็นสายผลหรือสายอัตถานะครับ เช่นมหากิริยาของพระาหันท์ทั้งหลายถ้าจะว่าไปก็เป็นผลของการบรรลุมรคลแล้วนะครับเป็นผลแล้วนะพวกเช่นรูปราวจรกิริยาอรูปราวจรกิริยาทั้งหลายเนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นผลแล้วนะครับตอนเน้นไปที่ว่าปัญญาของพระอริยบุคคลนะครับที่พิจารณา5้าอย่างเนี่ยนะพิจารณาปัจจุบันพิจารณานิพพานพิจารณาอัฏฐะ แห่งภาเศษหรือว่าพิจานาอัตกถาว่างั้นเถอะ mm hmm. พิจานาเว็บากพิจารณากิริยาปัญญาอันนี้ชื่อว่าอัฐปฏิสัมพิทาญานนะครับนี้มาขึ้นธรรมปฏิสัมพิทาว่าว่าโดยสังเขปนะครับตัวปัจจัยนั่นแหละชื่อว่าธรรมะปัจจัยนะฮะองค์ธรรมได้แก่ปัจจัยทั้งหลายเนี่ยจริงอยู่ปัจจัยนั้นท่านเรียกว่าธรรมะเพราะจัดแจงคือให้อัตถานั้นๆเป็นไปและให้บรรลุ หมายความว่าเป็นตัวจัดแจงผลนะครับคือเขาเป็นเหตุนะเมื่อเขาเหตุเขาก็สามารถจัดแจงผลให้เกิดขึ้นได้เพราะผลนี่เป็นอาาัตเหตุนั่นเป็นธรรมะนะครับวันนี้เน้นไปที่เหตุเหตุชื่อว่าธรรมะหรือปัจจัยนั่นแหละชื่อว่าธรรมะทีนี้เมื่อว่าโดยประเภทนะครับธรรมะห้าประการเหล่านี้คือเหตุอันยังผลให้เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งคือหมายถึงตัวปัจจัยนะหรืออริยมรรค นะครับอริยมรรคก็ชื่อว่าเป็นเหตุเป็นเหตุอะไรครับเป็นเหตุแห่งพระนิพพานหรือเป็นเหตุให้แทงตลอดพระนิพพานคําแห่งภาสิตก็เป็นเหตุให้รู้เนื้อความแห่งภาสิตเพราะฉะนั้นถ้อยคำเนี่ยนะหรือพระไตรปิฎกนี่ก็เรียกว่าคําภาสิตนะครับคำพาสิตคาําพูดน ะ, นะคำพูดนี่เป็นธรรมะอยู่นะครับความหมายของคํานั้นอ่ะเป็นอัตถะนะครับกุศลกรรมก็เป็นธรรมะหรืออกุศลกรรมก็ชื่อว่าธรรมะคือเน้นไปที่เหตุหรือปัจจัยนั่นเอง ยานอันถึงความแตกฉานในธรรมะนั้นของผู้พิจารณาธรรมนั้นชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทานะครับคือพิจารณาธรรมะ5อย่างเนี่ยนะพิจารณาเหตุพิจารณาอริยมรรคพิจารณาคาภาสิทธพิจารณากุศลกรรมอกุศลกรรมนี่แหละครับชื่อว่าธรรมะยานแบบนี้ยานที่พิจารณาอันนี้ชื่อว่าปฏิสัมพิทาญาณ นั้นคำว่าปฏิสัมพิทายานนั้นเป็นชื่อของยานนะครับเป็นชื่อของยานเป็นชื่อของความรู้นะครับเป็นชื่อของปัญญา น, นั่นเองทีนี้มาดูวิธีการสงเคราะห์อัตถกฐธรรมะโดยนิยะต่างๆนะครับดังพระดํำรับที่พระองค์ตรัสในคมภีร์วิพังค์ว่ายานในทุก์ชื่อว่าอัตถะปฏิสัมพิทาทุกเป็นผลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยานที่รู้ทุกเนี่ยเป็นอัตถะปฏิสัมพิทายานในทุกขสมุทัย ชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาเพราะสมุทัยนั้นเป็นเหตุแห่งทุกยานในนิโรธนะครับยานในทุกขานิโรธคือยานในพระนิพพานนะนะชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทายานในทุกขานิโรธคาเมนีปฏิปทาหรืออริยมรรคชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทา mechanisms. เพราะฉะนั้นความรู้ในอริยศาสตร์สี่ก็ชื่อว่าปฏิสัมพิทานะครับคือยานที่รู้ทุกขัสัจกับนิโรสัจนั้นเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทา ยานที่รู้ทุกขสมุทัยและก็รู้มรรคนะครับอันนี้ชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาเพราะฉะนั้นการรู้อริยสัจในขณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นปฏิสัมพิธานะครับอขออนุญาตครับถ้าหากว่าการแทงตลอดอริยสัจก็เป็นปฏิสัมพิธาแล้วพระอารหันต์ที่เป็นสุกวิสัตสุกสุกวิปัสสกาเนี่ยนะฮะ เอ๊ะทำไมจึงบอกว่าท่านไม่ได้ไม่ได้ปฏิสัมพิทาคือภา้าอารยบุคคลต้องได้ปฏิสัมพิทาหมดแต่ว่าจะมีปฏิภาณนะปฏิสัมพิธามากกว้างขวางเท่าไม้ไม้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ได้อยู่แล้วเพราะแทงตลอดอริยสัตว์นะครับเพราะอ่ะาผ้ารยบุคคล น, นี้ในอัตถกถาทั่วไปบอกเลยว่าได้ปฏิสัมพิทากันหมดแต่จะเชี่ยวชาญหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะอย่างไรเสียภาอารยบุคคนทั้งหมดก็ต้องเห็นทุก เห็นทุกขสมุทัยเห็นทุกขนิโรธเห็นทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทายานที่รู้เหล่านั้นเนี่ยชื่อว่าอัฏฐากธรรมะปฏิสัมพิธาแต่จะเอามาพูดได้มากน้อยอันนั้นเป็นนิรุตติปฏิสัมพิธาแล้วปฏิพานไหวพริบเป็นต้นเนี่ย ม, มากขนาดไหนอันนั้นเป็นปฏิพานะปฏิสัมพิธาแต่เมื่อทั้งสี่อย่างไม่บริบูรณ์ก็ ไม่ค่อยเรียกว่าท่านได้ปฏิสัมพิทานะครับก็ไปเรียกชื่ออย่างอื่นๆแทนนะครับเนื่องจากไม่เชี่ยวชาญในนิโรติปฏิสัมพิทาและปฏิภาณปฏิสัมพิทานั่นเองนะครับแต่อย่างไรเสียท่านก็ต้องได้อัตตปฏิสัมพิทากับธรรมปฏิสัมพิทาอย่างแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับญาณะในเหตุชื่อว่าอธรรมปฏิสัมพิทายานในผลอันเผล็ดมาจากเหตุ ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิธานะครับคือรู้เหตุนะครับรู้เหตุกับรู้ผลนะถ้ารู้เหตุชื่อว่ารู้ธรรมะถ้ารู้ผลก็เชื่อว่ารู้อัถฐนะครับหรือเพื่อความชัดเจนอีกพระองค์ก็ตรัสว่าธรรมะเหล่าใดเกิดแล้วเป็นแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วยานะในธรรมะนั้นเหล่านี้ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิธาคือหมายถึงผลนั่นเองนะครับ ตัวผลนะที่เกิดขึ้นเช่นขันทั้งหลายที่เป็นทุกขศาสตร์เนี่ยนะทุกขศัตร์นี้เกิดแล้วเป็นแล้วบังเกิดแล้วนะเกิดพร้อมแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วเนี่ยนะนั้นยานที่พิจารณาทุกขศาสตร์เป็นต้นเนี่ยชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทานะครับในธรรมะเหล่านั้นเกิดแล้วเป็นแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วจากธรรมะใดญานในธรรมะเหล่านั้นชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทา คือหมายเขาว่าตัวสมุทัยศาสตร์เช่นน่ะตัวสมุทัยศาสตร์นี่นะครับเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกขศาสตร์เหล่านั้นเนี่ยนะอัญญานะที่พิจารณาสมุทัยศาสตร์นั่นแหละครับลักษณะของชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทานะเพราะว่าทุกขศาสตร์เนี่ยเกิดแล้วจากสมุทัยใช่ไหมครับเป็นแล้วจากสมุทัยเกิดพร้อมแล้วจากสมุทัยบางเกิดแล้วจากสมุทัยบางเกิดเฉพาะแล้วจากสมุทัยนะปรากฏแล้วจากสมุทัยศาสตร์ เพราะฉะนั้นยานะที่ไปพิจารณาพวกสมุทัยศัสตร์หรือตัวปัจจยัยนั่นแหละครับลักษณะนี้ชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิา ท, ทาทตัวใดก็คือคำใดก็คือสมมติว่าของนี่เอามาจากใครของนี่เป็นผลนใช่หจากใครอะใครัวนั้นะเป็นเหตุเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจากใครเนี่ยแสดงว่ากำลังพูดถึงคนนั้นซะส่วนใหญ่นะครับ ในปฏิสัมพิทาเนี่ยเรามาส่งข้อตรงนี้ได้ไหมครับว่าอาวิชชาเป็นธรรมปฏิสัมพิทาสังขารเป็นอัตถาปฏิสัมพิทาอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าจะมีข้างหน้าต่อไปนะครับก็ได้นะครับทีนี้ก็จะยกตั้งแต่ชารามรณะนะครับปฏิจจสมุป บ, บาทนั้นองค์ธรรมสุดท้ายเนี่ยได้แก่ชารามรณะชาตินะครับชารามรณะขึ้นมห ah าชาติชาติขึ้นมหาภพภพขึ้นมห ah าอุปาทานอุปาทานขึ้นมห ah าตันหาตันหาขึ้นมห ah า เวทนาก็สาวมาเรื่อยจนถึงอวิชานี่นะครับทีนี้ก็เอายกตัวอย่างในญาณะในชรามรณะชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาญาณะที่รู้ชรามรณะสมุทัยชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาชรามรณะสมุทัยได้แก่ชาติและตัณหานะครับชื่อว่าชรามรณะสมุทัยปัญญาที่พิจารณาชรามรณะสมุทัยอันนี้ชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทา ส่วนญานะที่พิจารณาชรามรณนิโรธหรือพิจรนารณนิพพานนั้นชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาญาณะที่พิจารณาชรามรณนิโรทฆาคามินีปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติให้ถึงชรามรณนิโรธอันนั้นนะที่ให้ถึงพระนิพานนั้นชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาเพราะฉะนั้นชรามรณะชะรามรณะสมุทัยชรามรณนิโรธชรามรณนิโรทคามินีปฏิปทาพอพูดถึงตรงนี้ทําให้นึกถึง บางคนก็บอกว่าเอออริยสัจก็รู้ ร, รอยู่แล้วอะทุกกระได้แก่ชาติที่ทุกชร า, าทุกมรณะทุกอะก็ทําไมไม่บรรลุทักทีเป็นต้นเนี่ยนะครใครเขาเชอบคุยกันอย่างงี้กันเอาจะบรรลุยังไงก็คิดไหมชร า, ามรณะชร า, ามรณะสมุทัยชร า, ามรณะนิโรธชร า, ามรณะนิโรธถ้าขามินีปฏิปทาแงา่นี้เคยเอามาคิดไหมอย่างนั้ยนี่ยจะคิดยังไม่เคยคิดไม่ต้องพูดถึงบรรลุนะครับเพราะว่า ชรามรณะเนี่ยนะครับมันต้องมีกิจของเขาคือปริญญาากิจนะครับปริญญาญนะครับถ้าหากว่าชรามรณะสมุทัยก็ปหานะกิจคือละกันละชรามรณะนิโรธกิจก็ได้แก่ทําให้แจ้งส่วนชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทากิจก็คือเจริญเพราะฉะนั้นเอ่อถึงจะสาวอย่างนี้ได้ก็ต้องไปทํากิจอันนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องไปบําเพ็ญที่เรียก ว, ว่าบําเพ็ญสมณะธรรมเพื่อแทงตลอด กุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้นะครับทีนี้ไม่ใช่ชารามรณะอย่างเดียวแม้แต่ชาติ น, น, นะครับชาติสมุทัยชาตินิโรธชาตินิโรธคามินีปฏิปทานนี่นะครับยานะที่รู้ในชาติชื่อว่าอัฏปฏิสัมพิทายานะที่รู้ในชาติสมุทัยชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทายานะที่รู้ในชาตินิโรธนะครับชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาญาณะที่รู้ใน ชาตินิโรธคามินีปฏิปทาชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิธานะครับเพราะฉะนั้นพบพบสมุทัยพบนิโรธพบนิโรธคามินีปฏิปทาก็ในยะเดียวกันอุปาทานอุปาทานสมุทัยอุปาทานนิโรธอุปาทานนิโรธคามินีปฏิปทาก็เหมือนกันนะครับแล้วต่อไปครับตันหาตันหาสมุทัยตันหานิโรตตันหานิโรธคามินีปฏิปทาก็เหมือนกันอีกนะครับ เรสามารถอย่างลงอริยสัจหมดเลยนะเวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาภาษาภาษาสมุทัยภาษานิโรธภาษานิโรธคามินีปฏิปทาสลายตนะนะครับสลายตนะสมุทัยสลายตนะนิโรธสลายตนะนิโรธคามินีปฏิปทาแล้วก็ต่อไปครับนามรูปนามรูปสมุทัย นามรูปนิโรธนามรูปนิโรธคามินีปฏิปทาวิญญาณวิญญาณสมุทัยวิญญาณ น, นิโรธวิญญาณ น, นิโรธคามินีปฏิปทานะครับเพราะฉะนั้นทุกบททุกบทเนี่ยนะครับประชุมลงอริยสัจได้หมดเลย<ม>เพราะฉะนั้นถ้าทุกขสัจกับนิโรสัจเป็นอัตถปฏิสัมภิธาสมุ ท, ยทัยสัจกับมรรคสัจความรู้นั้นเป็นธรรมะปฏิสัมภิทานะครับเพราะฉะนั้น หรืออีกหนึ่งญาในสังขารสังขารเนี่ยนะครับชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิธาญาในสังขารสมุทัยนะครับชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิธาญาณในสังขานิโรธชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิธาญาณในสังขานิโรธคามินีปฏิปทาชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทานะครับเพราะฉะนั้นในปฏิจจสมุปบาท องค์ทั้ง11นะครับคือสังขารวิญ ญ, ญาณนามรูปจนถึงชรา ม, มรณะทุกบทนี้ประชุมลงอริยสัตว์หมดเลยนะครับเพราะนั้นเรียกว่ายาณะ44่นะครับยาณวัตถุ4ี่สบสี่ในนะัอวิชาก็บางแห่งก็สงเคราะห์ลงอีกบางแห่งก็สงเคราะห์เช่นอวิชากวิชาสมุทัยเป็นต้นบางแห่งก็สงเคราะห์แต่เฉพาะในยะนี้ไม่สงเคราะห์เพราะว่าอาวิชาอยู่ในฐานะสังขารสมุทยัยนะครับอวิชาในฐานะสังขารสมุทยัยนะถ้าแสดงตาม ปฏิจดสมุบาทเพราะฉะนั้นหนึ่งสังขารสองวิญญาณสมนามรูปสี่สลายยตนาห้ 5, ัภาษ6เวทนา 7. ตัณหา 8. อุปาทาน9พบ 10. ชาติ 11. ชรามราณะเพราะฉะนั้นคูณอริยาาสัจส์4ก็เท่ากับยานวัตถุ44นะครับก็จะเข้ากับยานวัตถุ44นะครับก็สามารถดูได้นะครับในสังยุตติกาย นิทานนวักนะครับเล่ม26กนะครับกล่าวถึงยานวัตถุทั้งหลายเหล่านี้นะครับว่าทุกบทนะ่ยถ้ารู้จริงประชุมลงอริยสัจพ้นทุกได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ชาราชาติชารามรณะเนี่ยนะทุกบทนะครับถ้ารู้จริงพ้นทุกหมดนะครับถ้ารู้จริงรู้จริงเงื่อนใครรู้จริง ถ้าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับมันมันก็จะเป็นทําให้คนอื่นเนี่ยเขาคิดไหมว่าเออในเมื่อรู้อย่างนี้มันก็รู้มันก็บรรลุได้มันก็แทงตลอดได้เนี่ยได้จะเป็นนั่งทําสมถะให้มันเสียเวลาเวลาทําไมอะไรอย่างเงี้ยครับคือการตรัสรู้นี่แหะครับมันต้องอินทรีย์ต้องประชุมการเพราะแทงตลอดในขณะเดียวกันเนี่ยนะทีนี้ทุกขศัตริูเนี่ยนะครับเช่นชรามรณะเอาวันนี้เนี่ยเอาเรื่องชรามรณะมามาเพ่งมาใคร่ครัวนะ่ะทำะได้มากไหมล่ะ ทีนี้ทําไม่ได้โทสะมันกลุ่มรุมทําไงก็ต้องเจริญพรหมิหารโอ้คิดไปคิดมาราคะกลุ่มรุมอีกแล้วตอนนั้นก็ต้องเจริญสุภาษะเข้ามานะครับถ้าหากวา่าโอ้เจริญไปเนี่ยคิดเรื่องเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยก็ต้องควบคู่กับอานาปานสตินะครับหรือบางทีเจริญไปเจริญมาเนี่ยก็โอ้โหมัน อ, อนนนก็อะไร อ, อันนี้ก็ดีตันหาในรสเป็นต้นเกิดเนี่ยนะครับก็ต้องเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญาเป็นต้นนะครับเพื่อตัดนิวรณ์นะครับเพราะสมมติฐานเจริญเพื่อให้ระงับนิวรณ เมื่อระงับนิวรณ์แล้วปัญญาเหล่านี้จึงจะ ม, มาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนดังนั้นการเจริญสมถะทั้งหลายก็เป็นอุปการะในการเจริญพิจารณาสิ่งเหล่านี้นะครับดันั้นคนถ้าไม่เจริญสมถะไม่เจริญอนุสติไม่เจริญกรรมฐานอะไรอะไรเลยชรามรณะชรามรณะสมุทยัยไปเรื่องอื่นแล้วนะครับไปได้ไม่กี่คำแล้วครับไม่ต้องไล่ไปหาองค์ธรรมหาอะไรแล้วนะครับมันฟุ้งซ่าน หรือพระ อ, องค์ตรัสพระดํารัสเป็นต้นนะครับเพื่อให้เห็นในปฏิสัมพิธาชาติอีกขึ้นว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ธรรมะคือสุตะคยะเวยากรณาคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละเนี่ยนะครับหรือพระไตรปิฎกเนี่ยนะรู้พระไตรปิฎกอันนี้นะความรู้อันนั้นของพระารยาบุคคลชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิธาเธอรู้อัตถะแห่งคําอันเป็นภาสิทธนั้ น, น, น นั่นแหละว่านี้เป็นอัฏฐาแห่งคําอันเป็นภาสิทธนินี้นี่เรียกว่าอัฏฐปฏิสัมพิทานะครับคือผู้ถพจน์เหล่านั้ น, น, นทั้งหมดเนี่ยนะครับมีใจความว่าอย่างไรก็รอบรู้ความรู้อันนี้ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาเพราะฉะนั้นถ้าระยะบุคคลที่ได้ปฏิสัมพิทาเนี่ยนะครับจึงอธิบายพระไตรปิฎกได้แล้วอธิบายโดยที่ไม่ขัดแย้งกันเลยนะียกตัวอย่างเหมือนพระพิสูรูปหนึ่งเนะี่ยนะยกพุทธพจน์บทหนึ่งขึ้นมาให้จิตตะคดหาบดีเนี่ยนะครับพิจารณา ให้จิตตคดหาบดีอธิบายบอกว่าคํานี้เป็นพุทธพจน์นะจิตตะคดหาบดีพิจารณาอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าพุทธพจน์นี้มีความหมายว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนื่องจากท่านได้ปฏิสัมพิธานะครับแต่เป็นเสขะปฏิสัมพิทาเขาสามารถามีความเข้าใจในพุทธประสงค์เลยว่าพระองค์เนี่ยประสงค์อะไรนะครับสําหรับพระอริยะบุคคลทั้งหลายก็จะมองเห็นนะครับผู้ที่ได้ปฏิสัมพิธานะ จิตตะขหาบดีใช่ไหมครับเอตัทธะนะครับเป็นเอตะทะัทธะด้านด้านจำไม่ได้นะแต่ว่าท่านได้ปฏิสัมพิธานะครับเป็นผู้แสดงธรรมเก่งมากบริษัทเยอะลูกศิษย์เยอะนะครับเป็นเป็นคนเก่งมากนี้ต่อไปนะครับว่ า, าธรรมะที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นฉไงในสมัยใดกุศลจิตฝ่ายกามาวจรเกิดพร้อมด้วยโสมนัตประกอบด้วยปัญญาปรารบรูปารม จนถึงรูปารม์สัทธารมคันธารมราษารมโพธพารมหรือว่าธรรมารมเนี่ยนะครับก็หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยนั้นภาษะย่อมีนะครับภาษาภาโาโหติเวทนาโหติสัญญาโหติเจตนาโหติจิตตังโหติเนี่ยนะครับคือเจตสิกที่เกิดขึ้นอ่ะนะในในจิตตุบาทนั้นๆอ่ะนะจนถึงว่าอวิเเคโปโหติเนี่ยนะธรรมะเหล่านี้ชื่อว่ากุศล คือกุศลกุศลจิตเนี่ยนะครับเกิดขึ้นก็มีเจตสิกเกิดขึ้นพร้อมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินซีมนัสิการวิตตกวิจารณทิโมกวิริยะปีติฉันทะนี่นะครับแม้กระทั่งศรัทธาหิริโอตปะอโลพะอโทสะตัตระมัจจิตตากายปัสสติจิตปัสสติเป็นต้นเนี่ยนะในขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะ ความรู้หรือปัญญาที่ไปรู้อันนี้เนี่ยนะครับรู้กุศลเหล่านี้ชื่อว่าความรู้นะชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาที่สามารถไปอย่างรู้กุศลไปอย่งรู้มหากุศลดวงที่หนึ่งที่สองที่สามที่สีที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดนี่นะหรือแม้กระทั่งอย่างรู้ถึงรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลหรือโลกุตระกุศลอะความรู้ในกุศลทั้งหลายเหล่านี้นะครับชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทา ส่วนว่ายาในวิบากแห่งธรรมะเหล่านั้นชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาสมมุติว่า ม, มหากุศลดวงที่หนึ่งให้วิบากเท่าไร่เป็นต้นเนี่ยนะยาณนที่ไปรอบรู้วิบากของมหากุศลดวงที่หนึ่งอ่ะชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทามหากุศลดวงที่สองในฐานะเป็นเหตุความรู้ในกุสนี่เป็นปธรรมะปฏิสมัมพิทารู้ในวิบากของมหากุศลดวงที่สองเป็นต้นนั้นเป็นอัฏฐ pues. ปฏิสัมพิทาเพราะฉะนั้นถ้าหาว่ารู้มหากุศล อันนี้แสดงว่ารู้ธรรมะปฏิสัมพิทารู้มหาวิบากเรียกว่ารู้อัฏฐปฏิสัมพิทาถ้ารู้รูปาวจรกุศลอันนี้เป็นธรรมะปฏิสัมพิทาถ้ารู้รูปาวจรวิบาก ค, คือวิบากของรูปฌานเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาถ้าหากว่ารู้<ธ>อรูปาวจรกุศลเป็นธรรมะปฏิสัมพิทาถ้ารู้วิบากของอรูปาวจรกุศลเป็น อัฏฐปฏิสัมพิทาถ้ารู้โลกุตระกุศนเป็นธรรมปฏิสัมพิทาถ้ารู้โลกุตระวิบากหรือผ ล, ลจิตเป็ น, ปนอัฏ ฐ, ฐปฏิสัมพิทานะครับหรือว่าถ้าความรู้ในโลภะทั้งหมดนะครับที่เป็นอกุศล น, นะอกุศลคือโลภะมูลจิตเจตสิกที่ประกอบเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทารู้ในอเหตุตุกภวิบากอากุศลจิตเนี่ยนะครับอกุศลวิบากเจ็ดวงเนี่ยนะที่เป็นผลของโลภะอย่างรู้อันนั้นเป็น อัฏฐปฏิสัมพิทาถ้ารู้โทสะเป็นธรรมปฏิสัมพิท า, ฤฤาถ้ารู้วิบากของโทสะผลของโทสะเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาถ้าหากว่ารู้ โ, โหมหะโมหะมูลจิตนะครับธรรมปฏิสัมพิทารู้วิบากของโมหะมูลจ uh wow> ิตก็เป็นอัฏฐปฏิสัมพิทานะครับเพราะฉะนั้นยานที่รู้กุศลอกุศลเป็นธรรมปฏิสัมพิทายานที่รู้วิบากของกุศลอกุศลเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทานะครับ มันก็สามารถสงเคราะห์ลงปฏิสัมพิทาหมดเลยเพราะนั้นเน้นไปที่ว่าตัวความรู้ที่ไปรู้อัถารู้ธรรมะอันนั้นแหละครับตัวเป็นตัวอัถาปฏิสัมพิทาตัวธรรมะปฏิสัมพิทาทีนี้ก็มาขึ้นนิรุตติปฏิสัมพิทาว่าก็สภาวะนิรุตติคือภาษาเดิมเนี่ยนะครับอภยะพิจาระโวหารคือถ้อยคําที่ไม่คลาดเคลื่อนนะครับอภิลาปะการพูดเนี่ยนะ การพูดถ้อยคําที่ไม่คลาดเคลื่อนในอัฏฐะและธรรมะนี้ตามภาษาเดิมของสรรพสัตว์อันเป็นมคตภาษาในการพูดภาษาเดิมนั้นนี้ชื่อว่าสภาวะนิรุตตินี้ชื่อว่าอันนี้ไม่ชื่อว่าสภาวะนิรุตติยานอันถึงความแตกฉานดังนี้ชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาคือยานที่รอบรู้ในการใช้ถ้อยคําที่ประกาศอัฏฐะและธระรมะนะครับว่าคําพูดอันนี้เนี่ยประกาศอัฏฐะอะไร คำพูดอันนี้ประกาศธรรมะอะไรเนี่ยยานที่รอบรู้ในคำพูดอันนั้นนะครับญานนั้นน่ะเป็นนิรุตติปฏิสัมพิทาเพราะฉะนั้นนิรุตติปฏิสัมพิทาจึงมีเสียงเป็นอารมณ์เสียงคำพูด น, นะคำพูดที่กล่าวถึงอัตถะคำพูดที่กล่าวถึงธรรมะเนี่ยนะครับ พระฉะนั้นท่านนเนี่ยนะเวลาฟังพุทธพจน์เนี่ยบทหนึ่งเลยนะครับพุทธพจน์บทหนึ่งเนี่ยที่เกิดจากปฏิสัมพินธพุทธพจน์ที่กล่าวถึงอัตถะหรือธรรมะเนี่ยนะนนท่าโนนแทงตลอดทัน ท, ทีเลย 60,000 บทนะครับกระจายได้6 0,000 บทอันพระพุทธเจ้าตรัต100บทเนี่ยท่าโนนจะแตกฉานเท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าพระพุทธเจ้าตรัตทั้งวันเนี่ยท่าโนนจะพิจารณาได้กว้างขวางขนาดไหนในหะ้ดูนะถ้าติดตามอยู่25ปีเหมือนเงาติดตามตัวเลยเนี่ยจะขนาดไหน ก่อนหน้านั้นก็ติดตามเยอะนะครับแต่ว่าช่วงช่วง20 25ปีหลังเนี่ยติดตามใกล้ชิดเหมือนเงาเลยนะครับเพราะฉะนั้นตลอด25ปีเนี่ยพระนรจะรู้อะไรบ้างพิจารณาอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นพุทธพจนตรัสบทหนึ่งท่านแทงตลอด 60,000 บท 60,000 บทก็คูน่านี้ไปเรื่อยเรยเรื่อยเ ร, ยเ ร, ยเรยืแล้วก็ไม่ได้ฟังน้อยน้อยเลยนะเรั้นพระนรเนี่ยจะมีสติ ป, ปัญญาขนาดไหนแต่นี้ยังไม่ถึงเซี่ยวของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้านะครับ ยังไม่ถึงเเสี่ยวที่พันที่ล้านของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่พานนท์นี้มีความสามารถขนาดนี้เพราะพานน์นั้นได้เสขาปฏิสัมพิทา น, นะครับฉันตัวนิรุตติปฏิสัมพิทานั้นน่ะมีเสียงเป็นอารมณ์นะครับคือเสียงที่ประกาศอัฏฐะและธรรมะ น, น, นั่นเองนะครับฉะนั้นไม่ใช่ยามที่รู้ไวยากรณ์นะอันนี้ไม่ใช่ไวยากรณน์นิรุตติตรงนี้นะครับแต่หมายถึงเสียงที่เปล่งถึงอัฏฐะและ ธรรมะนะครับป่งถึงอัฐะอะไรได้แก่ครับแปลงถึงอัฐะได้แก่แปลงถึงปัจจุบันคำพูดที่แปลงถึงเนื้อความแห่งสุภาษิตนิพานวิบากกิริยานะครับคำพูดที่เปลงถึงสิ่งเหล่านั้น่ะเ ป, นปเป็นนิรุตติเป็นนิรุตติปฏิสัมพิทาหรือคำพูดที่เปลงถึงเหตุเปลงถึงอริยมรรคเปลงถึง กุศลอกุศลหรือว่ากิริย า, อาขออภยัยคือสุภาษิตเนี่ยนะคำพูดที่เป่งสิ่งเหล่านั้นอันนั้นเป็นนิรุตติปฏิสัมพิทาเพราะฉะนั้นถ้าอัตถะห้ า, ธ, า 5, ธรรมะห้าพันญาในนิรุตติต้องสิบนะครับญาในนิรุตติต้องสิบเพราะต้องพูด5้าครั้งอ่ะพูดอย่างละห้าอย่างก็เป็นสิบนะครับเอาใหม่นะสมมติว่าญาในอัตถะนี่มีห้าญาในธรรมะมีห้า ญาณในนิรุตติต้องพูดสิบครั้งนะครับมันเรียกว่าญาณในนิรุตติสิบนะครับเป็นไงลึกซึ้งเลยอะไรก็อะไรครับฟังอาบุญไปก่อนก็ยังดีเออเอมันมันเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าเรามามาถึงยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะแล้วก็เราฟังใครพูดเนี่ยนะ เราไม่ได้ไปจับตรงที่ว่าคำที่เขาพูดเน่ยหมายเขาว่าอะไรยังไงแต่เราไปจับไอ้ที่เข า, าพูดพูดคำพูดออกมาเนี่ยประโยคคำพูดอะไรต่างๆเนี่ยเราไปจับว่าเออเขามีจุดมุ่งหมายยังไงแสดงเหตุแสดงผลยังไงยังไงเนี่ยมันจะเป็นการสะสมไปเพื่อเชี่ยวชาญํำนานในเรื่องของนิรุติปิศาวิท า, าเป็นไได้ไครับก็ เ, เป็นได้ครับเพราะว่าเริ่มจับ จุดประสงค์แต่แม้แต่วิปัสนาญาณเบื้องต้นนะครับวิปัสนาทั้งหลายที่กําหนดเสียงและจิตตะเชรูปเนี่ยนะก็ต้องวิจัยพวกนี้อยู่แล้วนะครนะปัจจะยะปเรฆะยามต้องวิจัยพวกนี้หมดอยู่แล้วถ้อยคําที่พูดนะครับว่าจิตชนิดไหนเป็นสมุทฐานหรือคนที่เจริญจิตตานุปัสสนจะต้องรู้อยู่แล้วว่าคําพูดเหล่านี้มีจิตชนิดไหนเป็นสมุทฐานเป็นราคาจิตหรือว่าไม่มีราคาจิตเป็นโทสะจิตหรือไม่มีโทสะจิตเป็นโมหะจิตหรือไม่มีโมหะจิตนะครับ มันเขาวิจัยหมดเลยนะครับแม้กระทั่งการยืนการเดินการนัง่งการนอนการแเรการเหลียวเป็นต้นมีจิตชนิดไหนเป็นสมุดฐานเขาต้องวิจัยหมดนะครับแม้กระทั่งในชั้นสัมมาสัญาณก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาไข่ควรทั้งหมดนะครับถ้าไข่ควรสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันก็ไม่คู่ควรต่อการตัดสู้อยู่แล้วนะครับเพราะถ้าไม่รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้กิเลสก็ยังอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดท่านก็ต้องวิจัยทั้งหมดน ะ, นะครับจนวิจัยจนว่ากิเลสมันไม่ได้ช่องอนะจนมันร้อนหมดนะครับ เห็นทุกอารมณ์แล้วมันร้อนหมดไม่น่าเกาะเกี่ยวเลยสักอันหนึ่งนะกิเลสเลยกลัวเลยเรื่ออาตาตีนะครับทีนี้ก็มากล่าวถึงปฏิภาณนะปฏิสัมพิทาว่าญาณะอันถึงความแตกฉ า, านในญาณะนั้นเนี่ยนะครับคือในญานะทั้งสามข้างต้นนะครับคือญาณะที่เป็นธรรมปฏิสัมพิทาที่เป็นนิรุตรติปฏิสัมพิทาอัตตธรรมนิรุตเตเนี่ยนะครับ ญานะที่ถึงความแตกฉานในญานเหล่านั้นเนี่ยของผู้พิจารณากระทำยานทั้งหมดนั้นน่ะที่เป็นไปด้วยอารมณ์และกิจอย่างพิสดารในญานะเหล่านั้นตามที่กล่าวแล้วให้เป็นอารมณ์ชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทาคือรอบรู้ในในญาณะทั้งหลายและเนี่นะครับดันั้นคนที่มีปฏิภาณปฏิสัมพิทาก็สามารถยกเอานิรุตติปฏิสัมพิทามาใช้โดยที่ไม่ขัดกับหลักอัตถปฏิสัมพิทาและ ธรรมปฏิสัมพิทามนุษยคนนี้แต่ต้องเชี่ยวชาญในปฏิภาณปฏิสัมพิทายกตัวอย่างพระมหาโกธิตะนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญมากพิกษุนีเทรีนะครับเช่นธรรมทินนาเทรีนะครับนั้นก็แตกฉานปฏิสัมพิทาเป็นผู้เป็นเอตทคขะในสาหนีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคําพูดของท่านเหล่านี้จะวิจิตดังนั้นปฏิสัมพิทาสี่เหล่านี้นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุด้วยพระองค์เองนะครับเนี่ยนะ ทั้งปฏิสัมพิธาทั้ง4ีนี้พระองค์บรรลุด้วยพระองค์เองจึงเชื่อว่าท่องแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะเป็นไปโดยไม่วิปริตโดยกล่าวไม่ให้คลาดเคลื่อนในอารมณ์ของตนของตนนั้นนั้นมีอัฏฐะและธรรมะเป็นต้นนะครับอันพระองค์นี้เป็นผู้ตรัสรู้ในปฏิสัมพิธา4ีเนี่ยนะครับถึงความแตกฉานในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนื่องจากพระองค์นี้เป็นผู้แตกฉานใน ปฏิสัมพิธาทั้ง4ี่นี่นะครับในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้ น, น, นทั้งหมดเนี่ยนะพระองค์จึงกล่าวจึงแสดงจึงแถลงเปิดเผยโดยที่ไม่ติดไม่ขัดอะไรเลยแนะไม่ไม่คลาดเคลื่อนอันคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับจึงเป็นคําสอนที่เป็นนิยานิกระทามช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้จริงๆนะครับเนื่องจากไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนเลยนะครับ ถ้าเรียนถึงพระพุทธคุณในลักษณะนี้มากๆแล้วนะครับจะเห็นว่าโอ้โหคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้น่าอัศ จ, จรรย์จิงๆนะครับเนื่องจากยานะท้งหลายที่เป็นบาทเป็นสมุทฐานให้เปล่งธรรมะเหล่านั้ น, น, นออกมาเนี่ยไม่ใช่ยานะธรรมดานะครับไม่ใช่รอบรู้ธรรมดาเลยนะครับ